I'm a f แต่ในที่ฉันจะยอมปล่อยให้ ม า, าให้ฉันเดินตามทาไดสกิดาคิดมีเงไดสกิดาจะรออะไรอาวิ่งต c มไปที่ไ i สได้สกิดาซื้อตัวได้สกิดาตะโกนตะโนสุดเสียงไปแถวที่งดได้สกิดาคิดมีเงาได้สกิดาอย่างไรอย่างไรช่วยรักความรักจากตได้สกิดาซื้อตัสกิดาตกนตะน